มักในฐานะข้อปฏิบัติหรือทางชีวิตทั้งของบรรพชิตและขฤรือหัสภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาไม่ว่าของบรรพชิตหรือของขรือหัสบรรพชิตก็ตามข้รือหัสก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ย, ออย่อมยังยายธรรมอันเป็นกุศลให้สาเร็จไม่ได้ ก็มิจชาปฏิปทาคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิเราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทาไม่ว่าของบรรพชิตหรือของครหัสคริอหัดก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติชอบแล้วเพราะการปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุย่อมยังยายธรรมอันเป็นกุศลให้สำเร็จได้ก็สัมมาปฏิปทาคืออะไร คือสมาธิฐิจนถึงสัมมาสมาธิยายะธรรมอันเป็นกุศลจะแปลว่ากุศ ล, ลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นก็ได้ยายะหรือยายะธรรมหมายถึงโลกุตรามักสัจธรร ม, รรมหรือนิพพาน ภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลหลังลาดเอน็นเบนไปสู่มหาสมุทรชั้นใดภิกษุเมื่อเจริญอยู่ทําให้มากอยู่ซึ่งมักคามีองค์8ประการอันประเสริฐย่อมเป็นผู้โน้มน้อมลาดเอน็นเบนไปสู่นิพพานชั้นนั้นทัานพระโคโดมผู้เจริญแม่น้ําคงคาไหลห ล, หลังลาดเอน็นเบนไปสู่มหาสมุทร จรวดมหาสมุทรชั้นใดบริษัทของท่านพระโคโดมอันพร้อมทั้ง้ครือส่าและบรรพชิตก็เป็นผู้โน้มน้อมลาดเอ็นเบนไปสู่นิพพานจรดนิพพานอยู่ชั้นนั้นพุทธพท์ว่าด้วยมิจฉาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปธานี้มีมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ที่ยกมาอ้างอีกก็พยายามไม่เห็นว่ามัชิมาปฏิปทานี้ ท่านมุ่งให้ใช้เป็นหลักความประพฤติปฏิบัติสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและขฤรือหัดและเป็นหลักธรรมที่สาเร็จประโยชน์แก่ทุกคนทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านทั่วหน้ากัน